นึกถึงข้อความในมิลินท์ปัญหาพระเจ้ามิลินกล่าวกับพระนาคเกษว่ า, าพระคุณ เ, เ, เจ้านาคเกษข้าพเจ้าไม่เชื่อรอับที่พวกท่านกล่าวกันว่าคนที่ทำบาปมาร้อยปีมาเจริญพุทธานุสติแล้วไปสวรรค์เขากันข้าพเจ้าไม่เชื่อรอับว่ามันจะเป็นจริง อีกอย่างหนึ่งข้าพเจ้าไม่เชื่อรอกว่าคนทําปาณาติบาศฆ่าสัตว์แล้วครั้งเดียวตกนรกก่อนนั่ น, นคําที่พวกท่านพูดนั้นข้าพเจ้าไม่เชื่ อ, อนเนี่ยพฟังดูเออมันก็น่าจะคิดแบบถ้าเจ้ามิลินคิดใช่ไห ม, มจะเป็นไปได้ยังไงโหทําบาปมาตั้งร้อยปีก่อนจะตายเจริญพุทธานุสติแล้วไปสวรรค์อีกคนหนึ่งฆ่าสัตว์แค่ครั้งเดียวตายแล้วตกนรก มันฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเหมือนกนทนายเกษตรก็กล่าวชี้แจงให้พระเจ้ามิรินฟังว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษเหมือนกันถ้าหากว่ามีเรือเอ่อมีหินเนี่ยนะก้อนหินเนี่ยพันตันเอ่อสักร้อยตันหินในร้อยตันก็สมัยก่อนเขใช้ว่าร้อยเล่มเกวียนร้อยเล่มเกวียนก็คือร้อยเอ่อร้อยตันนั่นเองหินร้อยตันเนี่ยนะ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 น, นะการเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติเจริญสีลานุสติจาคานุสติตลอดจนถึงเทวตานุสติการเจริญอนุสติทั้งหลายเหล่านี้ก็สามารถที่จะตกปักรักษาบุคคล น, นั้นไม่ให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาดนารกได้ฉั น, นั้นเพราะอะไรเพราะอนุสติเหล่านี้ก็เปรียบประดุจเรือนะเปรียบประดุจเรือที่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 เจริญผู้ฐานุสติเป็นต้นให้เป็นน่นนะเจริญให้เป็นให้เจนให้จิตใจเป็นไปกับพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณทั้งหลายพระสารีบุตรท่านกล่าวว่าธรำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกนะทำหกที่ควรเจริญคืออนุสติหกพูดถึงภาวเวตประธรรมธรรมที่ควรเจริญธรรมหนึ่งที่ควรเจริญคืออะไรย้อนกลับมานิดหนึ่ง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 อ, นนะองค์แห่งความเพียรเป็นเครื่องบริสุทธิ์เก้าประธานนี่ยังคปาปริสุทธิ์นะนะความเพียรเป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์นี่มีองเก้าทำสิบที่ควรเจริญก็คือเกสินสิบเนี่ยนะ <c oughs> ในบรรดาย้อนกลับมหาทรสี่ที่ควรเจริญเนี่ยนะทำสี่ที่ควรเจริญคือสติประฐานสี่ สติประธานสี่นั้นประกอบไปด้วยกายานุปัสนาสติปทานเวทนานุปัสนาสติปทานจิตตานุปัสนาสติปทานและธรรมานุปัสนาสติปทานกายานุปัสนาสติปทานก็คือการเจริญกันการเจริญโดยวิธีการสิบสี่วิธีในสติปฐานสูตร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 ข้อความโดยสรุปในสติปัฏฐานที่พระองค์กลับว่าดูการพิสูจทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะปริเทวะเพื่ออสดงดับไปแห่งทุกและโทมนัตนะเพื่อบ ร, รุญายธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นฉนะไหนพิสูจนในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่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 มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกคำว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนี่ยนะกายีกายานุปสัสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยนะกายีกายานุปัสีเนี่ยนะว่ากายกับผู้พิจารณาตามพิจารณาเห็นกาย กายานุปัสีนั้นคือผู้ที่มีกายานุปัสนาหรือผู้ที่มีอนุปัสนาทั้งหลายตามพิจารณาเห็นรูปประขันเห็นรูปประขันโดยความเป็นของอะไรไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นรูปประขันโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นรูปประขันโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นรูปประขันโดยความเป็นสุขเห็นรูปประขันโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นรูปประขันโดยความเป็นอัตตา เห็นรูปประคันโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิเพลินตามเห็นรูปประคันโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่ติดข้องกําหนัดตามเห็นรูปประคันโดยความดับไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคลายกําำความดับไม่ใช่สร้างขึ้นตามเห็นโดยความคลายกําหนัดไม่ใช่ยึดถือนนั้ผู้ที่พิจารณาตามเห็นรูปประคันโดยความเป็นของไม่เที่ยงอยู่ จะละความสําคัญว่าเป็นของเที่ยงได้เด็ดขาดถ้าตามเห็นด้วยความเป็นทุกข์อยู่จะละความสําคัญว่ารูปปัจขันเป็นสุขได้อย่างอย่างดีอย่างเด็ดขาดเลยนะถ้าตามเห็นด้วยความเป็นอนัตตาอยู่ก็จะละความสําคัญว่าเป็นอัตตาได้ถ้าตามเห็นด้วยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้ถ้าตามเห็นโดยความคลายกําหนับอยู่ะก hey, ็จะละความกําหนับได้ถ้าตามเห็นโดยความ ดับอยู่จะเลิกก่อเลิกสร้างถ้าตามเห็นด้วยความสละคืนอยู่ก็เลอะเรียกว่าละคลาจากความยึดถือได้เนี่ยนผู้ที่เจริญวิปัสสนาดังกล่าวไปเนี่ยนะผู้ที่พิจารณาดังกล่าวไปนั้นนะจะต้องมีคุณธรรมแห่งการปฏิบัติมีอะไรบ้างะนะท่านบอกว่าอการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยปฏิบัติ เวลาไหนคำที่กล่าวไปเมื่อกี้บอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาสิบสี่วิธีเนี่ยพิจารณาเวลาไหนพิจารณาตอนไหนพระองค์บอกว่าวิหารติกกายเยกายานุปสัสสีวิหารติวิหารติตัวนั้นหมายถึงอิริยาบทวิหารคือให้เจริญในอิริยาบททั้งสี่วิหารติแปลว่าวิหารโดยสัพแปลว่าอยู่หมายถึงวิหารอยู่ในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่ จเจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอาตาปีปฏิบัติด้วยสัมมประทานสี่นะสัมมาประทานสี่อาตาปีสัมปะชานุปฏิบัติด้วยสัมปะชัญญะทั้งสี่เน้นพิเศษคืออะสัมโมหะสัมปะชัญญะสติมามีสติหมายว่าไม่เผลอเรอทําด้วยความไม่ประมาทไม่เลอะเลือน วิญยาโโลก์กำจัดอภิชาและโทมนัทให้ได้วิไนนี่แปลว่ากำจัดกำจัดโดยตะทางข้าวิิัยกับวิขมพนะวิไนกำจัดอภิชาอภิชาอภิชาก็คือความติดข้องในรูปประคันกำจัดโทมนัทโทมนัทเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารูปประคันวิบัติเนี่ยโดยทั่วทไปแล้วคนจัดโทมนัทใช่ไหมถ้ารูปประคันสมบูรณ์อภิชาเกิดถ้ารูปรูปประคันมีปัญหาเปลี่ยนแปลง โทมนัทเกิดนั้นการปฏิบัติเจริญกายานุปัสนาในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัทนั้นน่ะเป็นการปฏิบัติถ้ารูปประคันถึงพร้อมก็ไม่ใช่มีอภิชาถ้ารูปประคันมีปัญหาก็ไม่ใช่เกิดโทมนัทก็พิจารณาเจริญกรรมฐานโดยปราศจากอภิชาและโทมนัทปราศจากอภิชาที่เรียกว่าความยินดี ปราศจากโทมนันที่เรียกว่าความยินร้ายอภิชาเป็นชื่อของโลภะโทมานเป็นชื่อของโทสะแต่ให้เจริญให้ปฏิบัติด้วยอำนาจของปัญญาด้วยอำนาจความเพียรด้วยอานาจสติด้วยอานาจของสมาธิเพราะตัวปฏิบัติจริงๆก็คืออะไรกายานุปัสนาเนี่ยนะกายกายานุปัสีกายานุปนนัส น, น, น, นาก็คือวิปัสนาสัมมาธิธฐิ เจริญตัวที่เจริญจริงๆคือเจริญสัมมาทิฏฐิอาตาปีก็คือสัมสัมมาประธานสี่สัมมาประธานสี่ก็คือสัมมาวายมะสัมปชานมีสัมปะชัญญะสัมปะชัญญาตัวนั้นก็เป็นชื่อของวิปัสนาเป็นอาสัมโมหะสัมปะชัญญะที่ผ่านสาธกะสัมปะชัญญะโคจรสัมปะชัญญาสัปปายะสัมปะชัญญะเป็นอย่างดีอันนั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นระดับทั้งพื้นฐานคือกรรมสกกตาสัมมาทิฏฐิตลอดจนถึงวิปัสนาสัมมาทิฏฐิรวมไปทั้งฌานสัมมาทิฏฐิด้วยสติมาสติมาตัวนั้นก็คือมีสติคําว่ามีสตินั้นโดยความเป็นจริงแล้วรูปประคันจริงๆอะ่ะโดยสภาพที่เป็นจริงแท้ของรูปประคันคืออะไรจริงแท้เลยนะรูปประคันจะเมื่ อ, อไรที่ไหนอย่างไรก็ช่างเถอะที่จริงแท้ของรูปประคันคือ อสุภะเนี่ยนะถ้ามีสติจริงๆต้องไม่เบล์กไม่เผลอว่าที่แท้จริงของรูปปัถานคืออสุภะเนี่ยนะแต่โดยทั่วๆไปมักจเะเผลอเผลอว่าเป็นสุภะเราก็คิดดูว่าชีวิตประจําวันจริงๆของเราเผลอหรือไม่เผลอเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เผลอสินะเอายอมรับสินะอ้าไม่เป็นไรก็รู้ว่าโฮ้ยไม่มีสติรู้ว่าไม่มีสตินี่ก็เก่งแล้วนะ ก็คือโดยสภาพที่เป็นจริงแล้วรูปปถัถนจะที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรก็คืออสุภะคือจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยอ่โดยที่ปกติแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเจริญข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตัะ